นะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโ ต, ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตระศรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองพระองค์นั้น ฟังธรรมคำพุท ธ, ธเสลสูุตมัชิมานิกายมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังกุตระชนบทพร้อมด้วยหมู่ภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ1250รูปถึงนิคมของชาวอังกุตระชื่อว่าอาปณนะ มีชลินชื่อเกนิยะได้ทราบข่าวว่าพระสมณะผู้โคดมจากสกุลสากย ะ, ะเสด็จออกบรรพชาจะรีบไปในอังคุตระชนบทแล้วก็กิติศัพท์อันงานของพระผู้มีพระภาคได้ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้พราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ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 ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมรรมัมปราปรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถพร้อมทั้งผยญชนะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็การได้เห็นพระอารันทั้งหลาย เห็นป่านนี้ย่อมเป็นความดีแล้วก็ในกลนั่นแลเกนิยชลินจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทักทายปราศัยกันให้ระพอระลึกถึงกันแล้วก็จึงนั่งนะที่ส่วนกวนข้างหนึ่งพระผู้มีพภาคได้ทรงชี้แจงให้เกนิยชลินเห็นแจ้งสมาทานมีความอาจหาร ร่เริงด้วยทำมิกถาแล้วในลำดับนั้นเกนียชลินจึงได้นิมนต์พระผู้มีพระภาครับพระตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อเกณนียชลินกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้รัสว่าเกณนยยพิสุสงมู่ใหญ่มีพิษุประมาณ1250รูปและท่านก็เลื่อมใสในพรามทั้งหลาย แม้ครั้งที่สองเกเนียชรินก็ได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคและภิกษุมีประมาณ1250รูปพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับเกเนียชรินเป็นครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกเกเนียชรินนั้นก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สามว่ายอย่างเดียวกันกับครั้งแรก ในที่นั้นพระผู้มีพระภาค ก, ก็ทรงรับการนิมนต์ของเกเนิยชรินนั้นด้วยการนิ่งเมื่อเกเนิยชรินทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาครับพระราถนาแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปอย่างอาสมของตนเรียกมิตรอมตและญาติสายโลหิตทั้งหลายมาบอกถึงการมาชันพัะทหารในวันรุ่งขึ้นของพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยกับ พิสูจน์งทั้งหลายและให้เราญาติเ <_ S 1> พื่อนและมิตรทั้งหลายเหล่านั้นข้นขวายด้วยกำลังของตนเพื่อให้กิจการงานนั้นสาเร็จไปได้เรามิตรหมาดและญาติทั้งหลายเหล่านั้นรับคำของเกเรียะชเด่นแล้วบางพวกก็ขุดเต่าบ้างบางพวกผ่าฟืนบ้างบางพวกล้างภาชนะบางพวกตั้งหม้อน้ำปูราอาสนะ ส่วนเกเนยยชลินนั้นจัดแจงโรงอาหารด้วยตนเองทีเดียวก็สมัยนั้นพรามชื่อว่าเสละอาศัยอยู่ในอาปณนิคมนั้นเป็นผู้รู้จบไตรเพศพรามทั้งคำพีต่างๆในทางคำสอนของพรามเป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจวยาก์ชำนาญในคำพีต่างๆสอนมนให้มานบ300อคน ก็ในสมัยนั้นเกเนียชลินก็เลื่อมใสในเซสะพรามนั้นเซสะพรามผู้แวดล้อมด้วยมานบสามร้อคน <c oughs> ก็เที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนได้เข้าไปทางอาสมของเกณนยชลินได้เห็นชนทั้งหลายกำลังช่วยเกณนยชลินทำงานอยู่บ้างบางพวกกุดตาบางพวกป่าฟืนล้างภาชนะตั้งหม้อไว้ บางพวกปู่อาสนะจนเกณิยะชรินนั้นก็ลงมืออยู่ที่โรงอาหารด้วยตนเองครั้นเห็นแล้วก็จึงถามเกเนยะว่าจะมีงานมงคลหรืองานบูชายันหรือได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาอย่างนั้นหรือในที่นั้นเกเนยะชรินก็ตอบว่าข้าแต่ท่านเซละข้าพระเจ้าไม่ได้มีงานมงคลหรืองาน บูชาหรือแม้แต่พร ะ, ระเจราเปเสนที่โคศลจะได้เสด็จมาในวันรุ่งขึ้นก็หาไม่แต่ข้าพเจ้าจะบูชามาหายญา์คือมีพระสมณะโคดมผู้ศักยบุตรเสด็จออกบวชมาในอนังกุตระชนบทนี้พร้อมด้วยหมู่สงประมาณ1250รูปข้าพเจ้าได้ทูล น, นิมนต์เพื่อเสวยพัะตาหารในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยพิกสุสง์ในที่นั้น เซลพรามได้ทราบข่าวนั้นแล้วจึงได้กล่าวกับเกเิยะชะลินอย่างนี้ว่าท่านเกเนยะท่านกล่าวว่าพุทธโธอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านเซละ่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทธโธเกญนยะท่านกล่าวว่าพุทธโธอย่างนั้นหรือถูกแล้วท่านเซละ่ข้าพเจ้ากล่าวว่าพุทธโธในครั้งนั้นแหละเซลพรามได้มีความคิดว่า แม้แต่เสียงว่าพุโทโธนี่แลก็ยากที่สัตว์จะพึงได้ในโลกก็มหาปุริสัตลักษณะ32ประการอันมาแล้วในมนุษย์ที่เราได้เคยได้ยินที่พระมหาบุรุษผู้ประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเป็นใหญ่ในเว่นแคว้นจรด พืนมหาสมุทรทั้งสี่ส่งชนะแล้วครอบครองอาณาจักรอันมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยแก้วทั้งเจชนิดคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้ววนันีนางแก้วกรดาษบดีแก้วและปรินายกแก้วเป็นที่เจพระเจ้าจักรพรรดนั้นจะมีพระราชโอรสมากกว่าพันล้วนเป็นผู้แก้วกล้า มีรูปทรงสมเป็นกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ทรงชนะโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาจยาหรสัตราปราและสงครองแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตหรือถ้าออกบวชเป็นพันปชิตจะได้เป็นพระอระหันตะสมมาสมุทรเชา้าเป็นผู้เปิดกิเลสที่ปิดแล้วในโลกท่านเกณิยะก็พระโคดม อรันตะสมมาสัมพุทธาพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ไหนเมื่อเซระพราหม์ถามอย่างนี้แล้วเกณิยะชลินจึงยกแขนขวาขึ้นชี้บอกเซระพราหม์ว่าท่านเสละพระสมนะโคดมพระองค์นั้นเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ราวป่าอันเขียวนั้นลำดับนั้นแหละเสละพราหม์พร้อมด้วยมานบสาม้อยคน ได้เดินเข้าไปตางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วได้บอกมานพเหล่านั้นว่าพวกท่านทั้งหลายจงเงียบจงเว้นระยะให้ห่างกันย่างเท้าหนึ่งเดินมาท่านทั้งหลายจงเป็นเหมือนราชสีตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อและเมื่อเรากำลังเจราจากับท่านพระสัมมาโคดมทท่านทั้งหลายจงอย่าพูดสอดขึ้นในระหว่าง ขอจงรอให้จบถ้อยคำของเราก่อนในลำดับนั้นเสระพามจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอให้ระลึกถึงกันได้แล้วจึงนั่งลงนะที่ส่วนควนข้างหนึ่งครั้นแล้วจึงได้พิจารณาดูมหาบุริษลักษณะ32ประการในพระผู้มีพระภาค ได้เห็นมหาปุริสะส2มประการในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมากเว้นอยู่สองประการคือคุยหาฐานอันซ่อนอยู่ในฝักและมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงปอกยังคงเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในมหาปุริสาลักษณะสองประการนั้นก็ในกรงนั้นแล พระผู้มีพระภาคได้มีดำริว่าเสรพรามนี้เห็นมหาปุริสาลักษณะ32ประการของเราเว้นอยู่สองอย่างคือมีคุยหาฐานคืออวัยวะในที่ลับซ่อนอยู่ในฝักและความที่มีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอจึงคงเคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในลักษณะ2ประการนั้น ในลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงบรรดาอิทธาพิสังขารให้เสรพราหม์ได้เห็นคุยหาฐานอันซ่อนอยู่ในฝกักและทรงแลบลิ้นสอดเข้าในหูช่องหนึ่งให้โผล่ไปอีกช่องหนึ่งสลับไปสลับมาทรงแผ่ลิ้นปิดทั่วจนถึงนาผากดังนั้นเสรพราหม์ได้มีความดำริว่า พระสำนักโคดมประกอบด้วยมหาปุริสะลักษณะ32มประการจริงไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบชัดซึ่งพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่และเราก็ได้สดับเรื่องนี้มาแต่สำนักของพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แก่เป็นผู้เท่าเป็นอาจารย์เป็นปรมาจารย์ว่าท่านที่เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธชาติทั้งหลาย ย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์อยากก่างกระนั้นเลยเราพึงกล่าวชมพระสมณโคดมต่อหน้าด้วยคาถาอันสมควรเถิดในลําดับนั้นเสรลพรามจึงได้ชมเชยพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์มีรัศมีรุ่งเรืองงาม มีพระชาติดีผู้ได้แม้นานก็ไม่รู้อิ่มมีพระชวีวันดังทองคำมีพระฐานะขาวสะอาดมีวิริยภาพมหาปุริสลักษณะอันเป็นเรื่องแตกต่างจากสามัญชนมีอยู่ในพระกายของพระองค์ผู้มีชาติอันดีครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงาม มีพระกายตรงดังพรมมีสง่าในท่ามกลางหมู่สมณะเหมือนพระอาทิตย์ภายโรจนนั้นพระองค์เป็นภิกษุงามน่าชมมีผิวหนังดังรูปไร้ด้วยทองคำพระองค์มีพระคุณสมบัติอันสูงอย่างนี้จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะพระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตผู้ทรงชนะวิเศษเป็นใหญ่ในชมบูทวีปกษัตริย์ทั้งหลายผู้เป็นพระราชามาห า, าศาลจงเป็นผู้ติดตามพระองข้าแต่พระโคดมผู้เจริญขอพระองค์ครองราชสมบัติอันเป็นราชาธิราชของจอมมนุษย์เถิดในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาที่เป็นคถาว่า เสร็จลเราเป็นพระราชาเป็นพระราชาโดยธรรมไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเราประกาศธรรมจักอันเป็นจักที่ใครๆประกาศไม่ได้ข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะและตรัสว่าเป็นธรรมราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงประกาศธรรมจักดังนี้ ก็ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์เป็นสาวกผู้อำนวยการของคาสอนใครเนอประกาศธรรมจักตามที่พระองค์ประกาศแล้วนี้ได้เสร็จแล้วธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่าเป็นจักที่เราประกาศแล้วจารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้ ดูก่อพราหมณ์สิ่งที่เราควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าประเอยท่านจงกาจัดความเคลือบแคลงในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนือง เป็นการเกิดขึ้นได้ยากความปรากฏแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเป็นการหาได้ยากในโลกทุกคนพราหมณ์เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อลูกศรไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบ ย, ย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารทําฆ่าสึกทั้งปวงให้อยู่ในอานาจ ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆบันเดิงใจอยู่ในที่นั้นเซลัปรามได้กล่าวกับมานบทั้ง300คนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงไคล่กรวนธรรมนี้ตามที่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุตรัสอยู่พระผู้มีพระภาคเป็นผู้เชื่อลูกศรเป็นผู้ชนะ ดังราชสีบันลือศรีนาฏอยู่ในป่าฉะนั้นใครเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบทรงย่ายีซึ่งมารและเสนามารจะไม่พึงเลื่อมใสผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเราส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้นอยู่เถิดเราจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระปัญญาอันบ ร, ริสรทธินี้เรามโน้มนั้นไดกล่าวกับเซลรรามอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพรามถ้าท่านชอบใจในคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แม้ข้าพระชาทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาอันบ ร, ริสุทธดังนี้และพรามสามร้อยคนนั้นก็พากันประคองอัญเชลี ทูลขอนประชาะกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญพวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์นในสํานักของพระองค์ในที่นั้นเสลหพรามพร้อมด้วยเหล่ามานพทั้ง300อคนนั้นได้บประชาะอุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ในครั้งนั้นเกนียชลินได้สั่งให้จัดแจงอาหารและโภชนะ อย่างประนีชในอาสมของตนตลอดราตรีนั้นแล้วใช้ให้คนไปกราบทูลและเมื่อถึงเวลาอาหารจึงได้ใช้ให้คนไปกราบทูลว่าพระทหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังอาสมของเกณิญญาชนิชลนแล้วประทับนั่งณนะที่อาสนะที่เขาจัดถวายไว้แล้ว พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ณลำดับ น, นั้นเกนียชรินได้ประเคนพระผู้มีพระภาคและพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยอาหารและโภชนะอันประนีดด้วยมือของตนเมื่อพระผู้มีพระภาคเสร็จสิ้นแล้วละพระหัตจากบาทเกเนียชรินจึงถืออาสนะต่ําแห่งหนึ่งนั่งอยู่ในที่นั้น เมื่อเกเนียชลินนั่งลงเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุโมทนาด้วยคำที่ผลูกเป็นคาถาดันางนี้ว่ายันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขคำพีสาริตีศาสตร์เป็นประมุขแห่งคำพีฉันพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสาครเป็นประมุขของแม่น้าทั้งหลาย ดวงจันทร์เป็นประมุกของดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นประมุกของความร้อนพระสงฆ์เป็นประมุกของผู้หวังบุญบูชาอยู่และเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้เสร็จแล้วจึงเสด็จลุกจากอาสนะหลิกไปก็ครังนั้นภิกษุเสละพร้อมด้วยเราบริษัท 300อคนนั้นลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ไม่นานนะักก็ได้ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันญาดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่โดยปัญญาอันยิ่งเองได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดของเราสิ้นแล้ว พระมจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกก็ท่านพระเสละพร้อมเหล่าบริษัทนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายั้ น, นั้นท่านเสละพร้อมทั้งบริษัทก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค อมผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญเชลีได้กราบทูลด้วยคำที่ผูกเป็นคถาเรื่งนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถึงพระองค์เป็นสรณะเข้าวันที่แปดนี้แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงฝึกดีแล้วในคําสอนของพระองค์โดยเจ็ดราตรี พรงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นมุนีผู้ครอบงำมารทรงเป็นผู้ฉลาดในอนุสัยส่งข้ามได้เองแล้วทรงยังหมูสัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วยพระองค์ทรงก้าวล่วงอุปติทั้งหลายแล้วทรงทำลายอาสวะทั้งหลายไม่ทรงยึดมั่นเลยทรงละภัยและความขลาดได้แล้วดุจ ด, ดังราชสี ภิกษุสามรารูปนี้ยืนประคองอัญชิีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรขอได้ทรงโปรโดเหยียดพระบาทออกเติดขอเชิญนาคทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาเถิดเสล่าสุดจบภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสัทลักษณะ32ประการ ย่อมมีกติเป็นสองหาเป็นอย่างอื่นไม่คือถ้าเป็นครวาดย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีเ ว, ว้นแควนจรดมาหมาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจระการแก้วเจระการย่อมเกิดแก่มหาบุรุษนั่นคือ จากแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วกระบดบดีแก้วและปรินาโยกแก้วเป็นที่เจ็ดมีบุตรผู้กล้าหารมีแววแห่งคนกลา้าอันไกลๆจะย่ำหยีมิได้ตามเสด็จกว่าหนึ่งพันมหาบุุษนั้นชนะแล้วครอบครองเป็นดิน มีผืนหมาสมุดเป็นที่สุดโดยรอบไม่มีหลักต่อเส้นหนามเป็นผู้มั่งคั่งเบิกบานกเกษมร่มเย็นปราศจากสเสนียดคือโจรทรงครอบครองโดยธรรมอันสม่ำเสมอไม่ใช่โดยใช้อาจยาหรือศาสตราหรือถ้าออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ย่อมเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกิเลสเครื่องปกปิดอันเปิดแล้วในโลกก็มหาปุริษาลักษณะ32ประการเหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าคือมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอ 2. มหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุม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 8. มหาบรุษมีแข่งดุดแข้งเหนือสาย 9. มหาบรุษยืนไม่ย่อตัวลงและเข่าได้ด้วยมือทั้งสอง 10. มหาบรุษมีองค์ชาติซ่อนอยู่ในฝัก 11. มหาบรุษมีกายดุจทองคือมีผิวหนังดุจทอง 12. สอง มหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดละอองจับไม่ได้ 13. ามหาบุรุษมีขนขุมละเส้นเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุมหนึ่งหนึ่งสสมหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุดดอกอัญชันขึ้นเวียนขวาส5บห้ามหาบุรุษมีกายตรง ดุลกายพรม 16. มหาุรุษมีเนื้อหนูหนาในที่เจ็ดแห่งคือที่หลังมือหลังเท้าบ่าและขอ 17. มหาุรุษมีกายข้างหน้าดุดราชสี 18. มหาุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลัง 19. มหาุรุษ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 พูดเหมือนนกกระวิก 29. เกมหาบุรุษมีตาสีเขียวสนิทคือสีนินส0มหาบุรุษมีตาดุดตาบัว 31. มหาบุอมหาุษมีอุณาโลมหว่างคิว้วเข้าอ่อนเหมือนสำลีและสามสบุองมหามุษมีสีสรับ รอบหน้านี่แหละคือมหาปุริสะลักษณะ32ประการของมหาบุรุษฟังธรรมคำพุท ธ, ธ